สิ่งไหนมันไม่เที่ยงอย่าคิดว่าตัวตนนัเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตรงไม่เที่ยงทําให้เป็นนิพพานได้ถ้าเห็นแยง้งเกิดความไม่เที่ยงเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงในั่นนย่อมไหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงเราหลงในความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานตรงที่มันหลงไม่หลงรู้แล้ว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 เห็นความหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยเปลี่ยนทุกข์เป็นวิสังขารเห็นการเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ได้เนี่ยเรียกว่าอลิสัตเป็นพิชดีตรงชีวิตเราเราจึงมหาหัแต่ไม่ต้องไปชิดอาศัยกากรกระทําเราจึงมีกากรกระทํา m เรียว่ากรรมฐานภาวนา เป็นปัญญาเป็นการทบุญในสูงสุดเพราะการกระทำนี้การภาวนานี้ไม่ได้คิดเอาการกระทำถ้าจึงใดที่เกิดปัญญาจากความคิดหรือว่ากินต่ยตานกินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดสู่แต่เมย์ปัญญาปัญญาเกิดจากการศึกษาอ่านดูเห็น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 ต่อของการศึกษาที่แท้จริงศึกษาคือใจศึกขาใจศึกษาคือไตรักใจศึกษาวากับไตรักเข้าไปพราเห็นพอศึกษาก็เห็นควาไม่เที่ยงเห็นควาเป็นทุกข์เห็นสังขารเห็นวิสังขารสังขารคือขยันปรุงเหนนายช่างปั้นเม้อถึงใดที่ปรุงขึ้นถึงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์นายช่างปั้นหม้อ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 เมื่อคิดไม่ได้ตั้งใจคิดมันไหลไปน่ะเรี ว, ว, วิชาเหมือนป่าเหมือนดงอยู่ในดงในป่าแม้นว่านอนอยู่ในตึกอาคารว่าเรือนถนนคอนติก็ยังเป็นป่าแต่วิชานี่ก็เรียกว่าอยู่ในที่โลง่งเป็นมิตรภาพสิ่งเหล่านี้เราสร้างขึ้นมาเหมือนเขาสร้างถนนมิตรภาพ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 ถ้าเราชาวนานตรงนี้ก็เหมาะที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกไม่ถูกโลกทับถมผูกขนตนเดงไปยิ่งพวกเราเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มากเมื่ร่วมกันทํางานทํางานเหมือนทีมวีลาคนหนึ่งทำานหนึ่งคนหนึ่งทําหนึ่งสนุกไปกับการงานสนุกป่วย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 ตูศึกระลึกได้มีสติเป็นเจ้าว่าเนเจ้าเรือนเป็นเจ้าของชีวิตมีเจ้าของชีวิตไม่ใช่เถื่อนปล่อยให้คิดอะไรก็ได้ไม่ได้หัดปล่อยให้ทำอะไรก็ได้ไมไละจึงดูมันทุกข์กอกมันเคลื่อนมันไหวลู่มันมันเดินลู่มันอยู่ตรงนี้ก่อนงัดอยู่ตรงนี้ก่อนทำให้มันเป็นไม่ใช่ไม่ให้รู้ทาให้เป็น มันหลงลู้ทำเป็นแล้วทีแรกก็หัดพอมันหลงหัดให้รู้เหมือนกับดึงความรู้เข้ามาควาคิดไปนโน่นเหมือนกับดึงความคิดกับเคลื่อนหมายรู้จักตัวเหมือนกับจากนั้นทำใหม่ใหม่ไปมาก็เหนื่อยเมื่อแล้วอ่วงเหงา ห, าหนอนข่อมเครียดไปบางทีก็ไม่ต้องไปยากปันานั้นพอมันหลงก็รู้จกตัวขึ้นมาความรู้สกตัวมันจะออกแรง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 ไม่มีคำอธิบาติปฏิบัติธรรมมันต้องเป็นอย่างนี้หลงรูล้ลดเดียวหลงก่อนเดียวรู้ก่อนเดียวเพรมันเป็นวิปัชนาวิปัจนาคือบางโอถึงบางโอหงุดหงิตัวเดียวน่หมดเลยเข้าใจรู้แล้ว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 โซ่ไม่แก้คนแก่ไม่ไขก็หลุดไปได้หลุดพ้นลงไม่เป็นอะไรไมีแต่เห็นเกาปลูกไปลูกไปลูกไปเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจมันคิดเห็นมันสุขเมันทุกข์เห็นทุกอย่างเห็นกายกายส้ว่ากายไปเลยแต่ก่อนกายเป็นตัวเป็นตนร้อนก็กูหนาวก็กูเจ็บปวดก็กูผิดก็กูถูกก็กู้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 อยู่ในพุทธคยายังมีรอยเดินจง ก, กรมของพุทธเจ้าอยู่มีไปกราบไปไหว้กันอยู่หลงตาก็ไปมาแล้วห7เจ็ดเที่ยวแล้วอยู่ที่สารนาดปาชิปตนาะบรึกตวันก็มีรอยเดินจง ก, กรมของพระพุทธเจ้าของพยาศกุลนบของโมคัลาของคนัญยาวาปะปัญญามหานามะเป็นวัดใหญ่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 เอาความรู้จากตัวเป็นการบ้านไปสอนรู้จากตัวรู้จึกตัวไปอเออใส่ตัวเองร้อยเปิดฉันอย่าใสคนอื่นเราหลงก็หลงเองแล้วก็รู้เองอย่าไปขานแต่คำถามบางทีสึงที่คิดหลงขึ้นมาหาคำถามไม่ต้องถามก็ได้บางทีทําไปก่อนบางทีมันตอบทีหลัง บ, บุกเบิกไปก่อน